ตอนสมาธิเรื่องสมาธิกับการรักษาโรค จะพจุดพลังอํานาจแล้วก็เท่ากับว่าจบวิชาการแห่งเพศเดียวกั น, กนทีนี้อะไรคือจุดพลังอํานาจอธิบายกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงป่านนี้แล้วจุดพลังอํานาจนั้นได้มีอยู่ในตัวของคนทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นหิงเป็นชายเป็นแขกระหว่างเจ้าชายหยิุณอะไรก็ตามจุดพลังอํานาจจะมีอยู่ มีอยู่ทุกคนแต่ว่าจุดพลังอํานาจมันจะออกมาก็ต่อเมื่อมันเกิดการฉุดเฉิดเมื่อเกิดการจุดเฉือนขึ้นมาแล้วจุดพลังอํานาจจะเกิดขึ้นมาทันทียังไฟไม่และมันเกิด้กําลังแรงขึ้นมาได้ยังไงแต่ข้าวสารทั้งสองอย่างนี้เป็นต้นอันนั่นคือจุดพลังอํานาจแล้วก็มีอยู่ในตัวของคนทุกคนแต่ว่าในขณะนี้เราไม่ต้องการให้ไฟมาไหม้ เราคอยแบกประอบเราทำสมาธิเพื่อจะให้ถึงจุดพลังอำนาจตรงนี้นั้นเรียกว่าจุดพลังอำนาจที่นี้สมาถึงบทเรียนของเราแล้วว่าพลังจิตเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยในกิจการต่างๆได้หลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องการรักษาโรคไัยไข้เจ็บเพราะกําลังใจนั้นมีความสำคัญในกิจการต่างๆในที่นี้จะกล่าวเฉพาะ โรคภัยไข้เจ็บถ้าคนเรานั้นโรคไทัยไข้เก็บเป็นส่วนสําคัญของชีวิตเขาก็ใช้นายแพทย์หรือหมอต่างๆให้การดูแลรักษาด้วยยาหนานับประการซึ่งก็พร้อมที่จะเยียวยาแก้ไขโรคภัยไข้เจ็บต่างๆอยู่แล้วแต่นอกเหนือจากนายแพทย์หรือหมอที่เยียวยาได้หยุดยาแล้วกําลังใจก็นับว่ามีส่วนสําคัญในการเยียวยาไม่น้อย เพราะถ้าอาศัยพลังจิตของบุคคลผู้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ก็จะทำให้การรักษาให้หายอย่างน่าประหลาดในเรื่องนี้จะต้องอธิบายความแตกต่างรอบวงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระประัิเสธพพุทธเจ้าที น, นี้เราผู้ที่นับถือพระพุทศาสนาเราก็จะต้องรู้จักว่าพระพุทธเจ้าคือใคร ทีเจ้าก็คืออ่อบุคคลที่เกิดมาเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันเหมือนกันกันกบเร า, เรามีอวัยวะครบถ้วนมีแอบิดามีมารดามีตัวตนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็ได้บําเพ็ญเรื่องของสมาธิในที่สุดเราก็คงไม่ต้องกล่าวถึงพุทธประวัติมากในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้น เป็นที่ความตัดสรู้คือสามารถละกิเลสทั้งหมดได้มีพลังจิตอันมหาศาลกำจัดกิเลสได้ด้วยตรงเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าํำเพนญบา ร, รมีจึงมีพลังจิตก็เรียกว่าเหลือใช้มากมายไกลกองที่เราเขียนไว้ไดว่าถ้าสมมาสมพุทธเจ้มามีฐานพลังใหญ่ฐานพลังใหญ่ มีกําลังมากปล่อยเจรวดให้สามารถไปสู่อาวากาศนอกโลกที่ไกลโพ้นอีกโลกได้อันนี้เป็นวะนะัดหนึ่งในนี้ก็าีดเส้นไว้ว่ า, วาถ้าประเจกาพุทธเจ้ามีฐานพลังเล็กฐานพลังเล็กมีกําลังไม่มากปล่อยเจรวดไม่ถึงอาวากาศไปสู่โลกภายนอกไม่ได้นะก็เหมือนกันกะบไอ้ปล่อยไอ้เจรวดที่เมืองจุรินนะ่ะ ป่จวจริญเขเรียกอไาบังไฟเขาเรียกว่าบังไฟแต่ทีนี้อย่างพระพุทิจ้าอย่างเี้ยกับแบบเดียวกับแลมคาเเวรันอะไรอย่างเงี้ยด <c oughs> แล้วก็ป่ยเรอะไรรีวรีอะรเรนเชอร์อะไรไม่รู้คุณจไถูกโคลัมเบียดีกว่าแล้วก็สามารถ ลอยไปได้และยังเอาคนไปได้อีกแล้วยังไปโลกพระจันได้อีกและยังไปโลกพระอังคารได้อีกอันนี้คือฐานใหญ่เพราะฉะนั้นในตัวของบุคคลเราเนี่ยเราจะมีฐานเนี่ยผิดกันดังนั้นฐานพลังจึงมีความสำคัญในการที่จะทำประโยชน์จากสมาธิอย่างยิ่งจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างฐานพลังนี้ด้วยสมาธิอย่างมากมาก เพราะว่าเป็นความกำหนดของผู้ต้องประสงค์ขนาดไหนเพียงไรเพราะฉะนั้นผู้ที่มีฐานกำลังใหญ่การทำสมาธินานกว่ามันจะเจอความสบายนานกว่าจะได้อะไรสักอย่างอันนี้คือพวกฐานใหญ่พวกฐานแรกนั่งพุ๊บได้ฟับอย่างนี้มันก็เป็นอีกเรื่องก็เพราะว่า การทำสมาธินั่นน่ ะ, ะเมื่อเวลาที่ทำลงไปเนี่ถ้าฐานใหญ่มันจะเปรียบมันจะว่าการเตะน้ า, นาลงไปแก้วหนึ่งไม่รู้สึกถังหนึ่งยังไม่รู้สึกโถงหนึ่งยังไม่รู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันฐานมันใหญ่อันี้คนที่มีฐานแล้อใส่ไปแก้วหนึง่งอีกสามแก้วเต็มแล้วอย่างนี้ย <c oughs> แต่ว่าฐานเหล่านี้เป็นเรื่องของการขยายได้ ไม่ใช่ว่าจํากัดว่าเมื่อฐานแรกแล้วก็จะเรียตลอดชีวิตฐานเหล่านี้สามารถที่จะขยายฐานได้คําว่าขยายฐานได้นั้นคือการพยายามจะให้จิตมันเข้าระวังมากพยายามตั้งอย่าให้มันสงบเร็วนะักอย่างเงี้แต่ใครไม่อยากจะให้ฐานใหญ่ก็สงบไปเลยสบายไปคือเอาเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นเวลาที่ ไปอยู่ก็หลวงปู่มั่นอันดับแรกท่านก็ต้องดูฐานก่อนแก่าฐานแรกคือฐานใหญ่ไม่รู้ฐานไร้ฐานใหญ่ก็ไม่รู้ท่านั้นแก่ลมันอย่างนี้หลย <c oughs> ในที่สุดในการที่หลวงพ่อจะมาเข้าใจอธิบายถึงเรื่องว่าคนที่จะมีฐานแรกหรือฐานใหญ่เนี่ยเราไม่เข้าใจเราเรียนมาแปด อาจารย์ตรงแรกหลงอาจารย์หลงมาเราก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าฐา น, ฐานใหญ่เป็นไงไม่ไปรู้เรื่องเอาตอนที่ไปอยู่กับหลวงปู ม, มั่นเพราะว่าในอันดับแรกที่ไปเจอท่านเฮ้ย hey, ฐานใหคือฐานใหญ่เนี่เราต้ไม่รูเหมือนกันนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าในบุคคลที่ฐานใหญ่เช่นอย่างท่านพระสารีบุตรอย่างนี้ท่านฐานใหญ่ ววาชันพโมกขัน 6, ลาเพราะฉะนั้นภาษาเรีบุด ต, ต้องใช้เวลาหนึ่งเดือนเพ็นอได้สำเร็จพโมกขันลาใช้เวลาหาวันคือหมายความว่ า, วาเล็ ก, กวัวกันขึ้นหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคนที่ทำสมาธิเนี่ยพอเราบอกว่าเอ๊ะคนอื่นได้เอาได้เอาเราไม่เห็นได้เสียหกเสียใจไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าอาดีตชาต หรือว่าเราได้เคยทำมาแล้วในการสอนว่าเราจัดแจงที่จะช่วยคนอื่นให้เขาได้รับความสุขเราไม่ต้องการอยากได้คนเดียวไอ้นีสแย่อันนี้มันติดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วกินกรร็ไม่อยากกินคนเดียวสุขก็ไม่อยากสุขคนเดียวได้สมาติกกรร็ไม่อยากได้คนเดียวอย่างเนี้ยอยากจะต้องการเกี่ยวกับการถกคุณพ่น อันนี้คือนิสัยของบุคนคลที่มีฐานใหญ่ต้องการอยากจ ะ, ะทําประโยชน์ทีนี้บางคนก็มาคิดว่าเรื่องอะไรจะต้องไปทําเราทํำคนทุกข์แล้วก็แล้วกันไปไปเลยอย่างนี้เป็นต้นแบบพระประเจรต์พระประเจรต์ท่านบอกว่าไม่อยากจะอยู่นานลโลกนี้วุ่นวายหนักหนาท่านก็คนทุกข์ไปอย่างนี้เป็นต้นอันนี้อธิบายไว้เท่านี้แต่เดี๋ยวจะไม่ได้อธิบายถึงเรื่องว่าในที่นี้จะแสดง ถึงการรักษาโรคของสมาธิต่อไปทีนี้ก็จะพูดถึงเรื่องนิพจนว่าการรักษาด้วยพลังจิตเมื่อจิตถึงจุดพลังอํานาจจะต้องเกิดขึ้นซึ่งกระแสะจิตกระแสะจิตนั้นจะเบาหนักหรือมีอกําลังต้องมีพลังจิตที่พอแก่การใช้งานอันสามารถตัดแคลงกระแสะ ให้เป็นไปตามกลไกของหลักวิชาการคือเมื่อถึงจุดพลังอํานาจแล้วเนี่ยมันจะมีการตั้งหน่วยหน่วยงานขึ้นมาเ้าเรียกว่าหน่วยแต่ทีนี้ถ้าเราเรียกหน่วยที่เฉยมันก็ยังไงเขาเก็เติมงานกข้ไปหน่อยก็เรียกว่าหน่วยงานมันจะก่อหน่วยงานขึ้นมาในที่นี้เนี่ยต้องการอยากจะให้นักศึกษาทั้งหลายเนีเข้าใจเย็งในเรื่องนี้เพราะว่า ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการรักษาโรคกันด้วยพลังจิตเยอะเพื่อแม้ให้ใครเข้ามาตกตาเราว่าไอ้โรคมันจะหายอยู่แล้วนี่เป็นนั่งนิดนึงไคนนั้นจะไปหายไปเลยอ่าแล้วก็ว่าเขานีระเกงแค่ทีิศเองอ่ะไอ้โรคมันจะหายอยู่แล้วอย่างนี้เป็นตน้นทีนี้เราก็จะต้องเขาเรียวกว่าคนไกคนไกในขณะที่ มันรวมตัวได้แล้วเนี่ยอันดับแรกต้องเข้าใจวิธีการกำหนดการกำหนดนะ่ะถ้าเราพูดถึงการกำหนดเนี่ยมันก็เหมือนกันก็ว่ากำหนดว่าเราตั้งจุดที่ตรงไหนแลน้วคนรวยอยู่ที่ไหนเป็นโรคอะไรจุดของเป็นโรคนั้นอยู่จุดไหนไม่ร่างกะไรอันนี้จะต้องทราบก่อนถ้าหากว่าไม่ทราบเราจะกำหนดหมดทั้งตัวอย่างนี้อั น, นี่ ผลมันก็ออกมาไม่ค่อินนักแต่ถ้าหากว่ารู้ตำแหน่งว่าโรคนี่มันเกิดที่ไหนสมองหรือปอดหรือตับเลือหัวใจหรืออะไรก็สุดแล้วแต่เราจะต้องมีเขาเรียกว่ากระแสจะต้องกำหนดเพราะว่าร่างกายเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วร่างกายเราก็เขียนออกมาได้ตรงไห น, นหัวใจอยู่ไหนปอดอยู่ไหนตับอยู่ไหน จะมองอยู่ไหนเนี่ยเราจะมองได้ชัดเจนที่เขาเรียกว่ากาหนดแล้วกาหนดก็ต่อนถ้าเป็นส่วนล่างมันจะเป็นที่ไหนเป็นปลายเท้าหรือจะเป็นหัวเขา่าหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นที่ไหนอย่างนี้เป็นต้น อ, อันนี้เขาเรียกว่ากำหนดข้อที่สองในกําหนดในร่างกายส่วนบนส่วนล่างเป็นสองส่วนเพื่อให้เกิดการชัดเจนขึ้นเมื่อเกิดการชัดเจนขึ้นมาแล้วเนี่ยร่างกายเนี่ยเราก็ ตัดออกเป็นสองส่วนเลยเขาเรียกว่าส่วนล่างและส่วนบนอยน่างนี้พอตัดออกสองส่วนแล้วนี่มาถึงข้อสาข้อสาคือส่วนบนกําหนดสีเขียวอย่างนี้เป็นตกลิธีการกําหนดสีเขียวนั่นะหน่วยงานจะต้องเป็นหน่วยงานจะต้องทําเช่นอย่างจิตไปตกอยู่ที่จุดพลังอํานาจแล้วเนี่ยสร้างหน่วยงานขึ้นมานี่สร้างง่ายนิดเดียวเรียกว่ั่ววินาทีเขาจะสร้างหน่วยงานขึ้นมาได้เลย หน่วยงา น, นนั่นจะเป็นหน่วยงานสีเขียวขึ้นมามทัานทีเกิดามธรรมชากระแสจิตเนี่ยมันจะเป็นสีขาวปกติเราจะเห็นเป็นสีขาวนั่นจะเป็นสีขาวโดยธรรมชาติแต่ทีนี้เพื่อให้กระแสะนั้นเกิดพลังงานขึ้นพลังงานเนี่ยจะต้องผสมหน่วยเกิดเช่นต้องผสมให้เป็นสีเขียวให้ได้ถ้าหากว่าพลังจิตเนี่ยมันไม่แปลงพอนี่ย ผสมเท่าไหร่สีมันก็ไม่เขียวอันนั้นคือว่าพลังกิตไม่พอผสมไปก็ขาวจนได้อย่างนี้แต่ทีนี้ถ้าหากว่าพลังกิตพอเนี่ยพอกำหนดหน่วยงานทีนมาพับบอกพอเวลานี้เราจะรักษาส่วนบนสีเขียวจะเกิดขทันทีหากอาการปวยอยู่ส่วนบนตั้งแต่บริเวณเอวถึงศีรษะผู้ให้การรักษาจะกาหนดโดยใช้แสนสีเขียว แล้วข้อที่สี่ส่วนล่างใช้แสงสีแดงสีแดงเนี่ยเชื่อใการกําหนดเนี่ยมันจะต้องกาหนดตรงหน่วยงานหน่วยงานเช่จุดพลังอํานาจเนี่ยไม่ได้อยู่ใกลอที่ใจของเราเนี่ยแหละพอเรากําหนดหน่วยงานเชื่อมาพับเนี่ยมันจะเป็นสีแดงทันทนีมาเป็นสีแดงเชืนอแล้วเชือในการกําหนดนั้นน่ะมันกำหนดเทียวเราเรียกว่ากำหนด เ, เทียวเที่ยววินาที สำหรับผู้ชานาญเขาเรียกวาความไวของจิตเนี่ยมันอยู่ที่วินาทีอย่างเช่าโดดมันจะวิ่งไปหรือว่าเครื่อง บ, บินจะบินไปถึงโยุโรปอเมริกาใช้เวลาสิบกว่ายสิชัององ่วโมงแต่ว่าใจเนี่ยิดทีเดียวเนี่ยมันอยู่ในนาทีเท่านั้นเองมันจะถึงอเมริกาได้เพราะฉะนั้นใจนี่จะมีความไวมากชีนี้เราขออธิบายต่อไปว่า ถ้าส่วนใกล้เนี่ยถ้าหากว่าจะกำหนดเป็นลําเรียกว่าเรื่องลำแสงดุดจัเทียนเล็กข้อหถ้าอยู่ไกลเนี่ยกำหนดลําแสงดุดจัเทียนใหญ่อันนี้คือกลับกันหมายความว่าส่วนผู้ป่วยอยู่ในระยะใกล้กําหนดลําแสงดุดจัเทียนเล่มใหญ่ส่วนผู้ป่วยอยู่ระยะไกลกําหนดแสงดุดจัเทียนเล่มเล็ก มันกลับกันพิมมันกลับกันอันนี้ต้องยืนยันว่าส่วนไกลนั้นเล่มเล็กส่วนใกล้นั้นเล่มใหญ่เ่าพิมกลับกันเขียนใหม่เดี๋ยวแก้มันกันเลยต่อไปก็จะต้องอธิบายกันต่อไปอีกว่าอันนี้หลวงพ่อคงจะพยายามแก่การอาธิบายไปในอันดับต่อไปข้างหน้าเพราะเราอาธิบายวันเดียวนี่คงไม่ไหว ไม่พอใช้เพราะว่าเรื่องของการรักษาโรคด้วยกำลังใจมันมีความสำคัญมีความสำคัญมากมากแล้วก็ต้องการอยากจะให้เข้าใจข้อเท็จจริงให้มากที่สุดมาถึงข้อที่เ็ส่วนตำแหน่งของโรคอันนี้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะรู้ว่าคนที่เราจะรักษานนัเป็นโรคอะไรเราเองไม่รู้ว่า ต้องให้หมอเขาเอ็กซเรย์ให้หรือว่าเป็นเนยูิ่วในถุงน้ำดีอะไรอย่างนี้ต้องเมื่อเป็นนยิ่วในถุงน้ำดีนั้นมันต้องผ่าตัดแล้วเอานิ่วเม็ดนั้นออกนี่ฉะนั้นไม่หายแต่ถ้าหากว่ามีพลังจิดเนี่ยมันเส่นลงไปละลายให้เม็ดนิ่วนั้นน่ะละลายออกได้อันนี้ในทางจิดนั้นทำได้ <c oughs> ทีนี้ข้อแปดนี่กาหนดเวลาถ้าหากว่า เป็นไปได้เราก็ต้องบอกคนไข้ว่าเวลาไหนเราจะทำหรือบอกคนที่เฝ้าไขว่าเวลาไหนเราจะทำอย่างเนี้ไม่ใช่ทำโดยที่ว่าไม่มีเครื่องรับถ้ามีเครื่องเราเป็นเครื่องส่งแต่มันจำเป็นที่เครื่องรับจะต้องเปิดสวิตด้วยอยูนี้ถ้าไม่เปิดสวิตเครื่องส่งจะเห็นสักเท่าไหร่ดีเท่าไหร่เนี่ยมันไม่เห็นรูปภาพ เราก็ไม่ได้กดเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากคนไข้ไม่รู้สึกตัวคนเข้าไข่เขากะ็ะต้องรู้สึกตัวเราจะต้องมีการนักหมายว่าคนไข้นั้นอยู่ที่ไหนมีโรคจิตกำหนงไหนแล้วก็เวลาไหนที่เราจะไปรักษาโรคนั้นอย่างนี้จะแสดงว่าทั้งเครื่องส่งและเครื่องรับจะสามารถประสานงานกันได้ถ้ายิ่ง วันไข้นั้นได้ทําสมาธิมาแล้วอันนั้นก็ยินจะเป็นการเปิดเครื่องรับได้อย่างดีที่สุดสด้วยเหตุต่งางๆหลวงพ่อยังได้ตั้งหลักสูตรวิทยาสมาธิขึ้นเพื่อให้คนได้ทําสมาธิกันอย่างาง่ายๆห้านาทีต่อครั้งวันละสามครั้งอะไรอย่างนี้แล้วเขาจะมีเครื่องรับในเมื่อเวลามีเหตุการณ์อะไรต่างๆ ผู้ที่ทำสมาธิเหล่านั้นทายเขาว่าเขามีเคื่งรับอันนี้เชื่องรับแล้วเรามีเคื่องส่งอันนี้จะเป็นการรักษากันได้ง่ายมากแล้วก็ได้ผลมากขึ้นทีนี้การทํารักการรักษามีกติกาว่า1เราต้องสร้างความเมตตาความเสียสละเป็นหลัก2รับและไม่รับ3กําหนดวัน ถ้าสองรับรือไม่รับหมายความว่าเรารับการรักษาถ้าเราไม่ได้รับการรักษาก็คือไม่ทาเดียไม่รับหมายความว่าคนที่เขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเ้าไม่ยอมรับไม่ยอมรับนั่นน่ะก็อันนี้ไม่รับก็ได้อันนี้ก็อธิบายเอาเองก็แล้วกันข้อสี่ห้ามคิดอาฆาตข้อห้าห้ามพูดก ทำแค่มันมีข้อที่รักษาไว้คิดเอาคุณสนก็คิดเอาเองก็แลกกัน <c oughs> มันมีหลายอย่างอ่ะคิดอาคุณสนเรักษาเพื่ออะไรต่แล้วแต่แต่มันคิดเป็นในทางไม่ดีอ่ะและทีนี้มันจะทําให้การรักษานั้นไม่คุณภาพทีนี้นมาจดีดข้อกันว่าการตั้งฐานของจิตเป็นสิ่งจําเป็นมีความจําเป็นหยุดสิ่ประการ ตั้งฐานของจิตคือว่าฐานของจิตเนีย่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนเราเนึกพุทโธตรงไหนนั่นคือฐานของจิตใค ร, นคน ร, ร, ค ร, ร, รแต่คนรู้นึกพุทโธคนเป็นึกพุทโธตัวเป็นนึกพุทโธพุทโธคือพุทโธแต่คนเป็นนึกพุทโธอยู่ที่ไหนนั้นคืออย่างฐานของจิตเราตั้งนะกาหนดอุปจาระให <ton> รู้อุปจาระสมาธิหมายความว่าในอุปจาระสมาธิ Fruit เนีย่ย ถ้าเราจะสังเกตเราสังเกตเห็นนี้ว่าเวลาเรานั่งสมาธิมีคนไอคนจามเนี่ยเราไม่่อยหวั่นไหวอันนั้นเขเรียกวอุปจาระถ้ายังใครจามนิดเดียวก็โอ้ยไม่ไหวแล้วมันยังอุปจาระไม่ได้เอาตรงนี้เป็นเครื่องวัดถ้ามีเสียงมีอะไรมารบกวนใครยังทําได้อันนี้เขาเรียกว่าอุปจาระคือไม่หวั่นไหวอันนี้เป็นข้อเทียบเทียบแค่นี้เพื่อให้ง่ายครับทีนี้กําหนด สุดยอดหนังประสาทกายหยาบเมื่อเวลาที่เราจะกําหนดตัวของเราที่กําลังจะกําหนดเข้าสู่กายคนอื่นอเนี้ยเราอาจจะเช่นอย่างเป็นอยู่ที่ปอดที่ปอดไม่ใช่ปลายประสานเพราะฉะนั้นเวลาที่จะกําหนดเข้าไปเนี่ยในอันดับแรกเราจะต้องกําหนดมีทางเข้าคือในร่างกายของคนเนี้ย ถาจะแท่งตูมลงไปเนี่ยลงไปทรงเลยไม่ได้มันต้องไปหาจุดปลายประส า, าปลายประสาเพียจะอยู่ผิวหนังจะอยู่ผิวหนังเนี่ยปลายประสาทเนี่ยเพราะว่าพอกําหนดครั้งแรกเนี่ยมันจะเข้าสู่ผิวหนังก่อนแล้วมันจะเข้าไปสู่จุดของโรกอะไรอย่างนี้นะอันนี้ต้องเป็นสิ่งที่ควรจะต้องได้เข้าใจว่าปลายประส า, านั้นที่จะเข้าไปสื่ ตัวการของโรคได้เห็นดีเป็นตัวเพราะว่าเวลาที่เรากําหนดเมื่อเขาไปสู่ผิวหนังเมื่อเขาไปสู่ผิวหนังแล้วเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวเข้าไปได้ไปสู่จุดของโรคถ้าอยากจะรู้ว่าลายประสาทของเรามันมีเท่าไหร่ถามหมอมีหมออยู่ที่ถารดูว่าปลายประสาทยอยู่ตรงไหนบ้างเวลานี้ตัพ่อเป็นโรคชนิดหนึ่งเรียกว่าปลายประสาทเสีย เราอยากจะพูดในตัวที่จะส่งกระแสไปช่วยผู้ป่วยเนี่ยการที่จะส่งกระแสไปถึงผู้ป่วยเนี่ยในตัวของเราเนี่ยเขาเรียกว่าฐานมาาันจะขีดมีดได้พูดไปแล้วว่าฐานคําว่าฐานเนี่ยเธอมันจะมีฐานเนี่ยเขาเรียกว่าจุดให้เกิดลมหายใจคนเราเนี่ยมันต้องมีจุดให้เกิดลมหายใจ ใชอยู่ๆแลมาหายใจเองมันจะมีจุดแล้วก็จุดนั้นน่ะมันจะมีทั้งกําลังตันกําลังส่งอะไรก็ดันขึ้นไปดันกลับมาดันขึ้นไปเพื่อตกลับมาเย่างนี้สมาธิหมายถึงการรวมกําลังพลังหมายถึงพลังจิตพลังจิตอยู่ในจิตของมนุษย์ความมีพลังจิตในปัจจุบัน โดยไม่ได้ทําสมาธิมีอยู่แต่ใช้แค่ธรรมดาถึงนั้นก็ทําให้มนุษย์มีชีวิตยอยู่ได้ด้วยพลังกิตซึ่งกําลังภายในมีความสําคัญต่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์เป็นพลังธรรมชาติหล่อเลี้ยงกระถับประพองให้เป็นพลังกันโอเคมันจะต้องมีพลังกันถ้าพลังกันตัวที่หมดเมื่อไรชีวิตของมนุษย์ก็หมดเมือนั้น ตรงนี้ให้มีชีวิตยอยู่ตลอดเวลาเพราะพลังกันตัวนี้เมื่อไรหมดพลังดันตัวนี้ชีวิตก็จะหมดทันทีแม้เราจะไม่เคยสัมผัสพลังตัวนี้แต่เราก็อยู่ด้วยพลังตัวนี้คือพลังดันของเราเนี่จะมีอยู่ตลอดมันจะเป็นพลังดันขึ้นมาอยู่ตลอดถ้าพลังตัวนี้ถูกสมาธิสูกเข้าไปหรือ สถาบันพลังจิตานุภาพวัดธรรมมงคเลเรียกว่าสมาธิสร้างขึ้นเมื่อสมาธิสร้างขึ้นนี้ได้มาสวมพลังดันที่ทำการหล่อเลี้ยงประคับประคองชีวิตนี้นั้นก็จะทําให้เพิ่มเป็นพลังพิเศษหรือเมื่อสมาธิเพิ่มพลัง พ, งพงิเศษโดยสวมเข้ากันกับพลังดันตัวเดิมเสริมสร้างพลังแห่งสมาธิที่สร้างขึ้น จะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แน่เพราะอะไรเพราะว่าพลังดานส่วนี้อยู่ที่ลมหายใจหมายถึงว่าตดนตอแห่งลมหายใจสมาธิก็ต้องมีฐานตั้งอยู่ที่ต้แห่งลมหายใจเช่นเดียวกันตามธรรมดาพลังใจนั้นเราลองคิดดูว่าพลังใจเนี่ยเมื่อคนที่เขามีความสามารถพูดโน้มน้าว ใจควรได้มันจะเกิดก็เรียกว่าเกิดสวมใส่พลังตัดพลังดันตัวนี้จะก่อตัวขึ้นในความพิเศษเช่นอย่างความเข้าหานของทหารทั้งหลายตาธรรมดาแล้วเนี่ยจะปกติเหมือนคนธรรมดาไม่มีอะไรแต่พอถูกคําพูดรนรงค์ไอ้คำพูดเหล่านั้นตลอดจนกระทั่งตัวของทหารเองมันจะกลาย มาเป็นพลังตัวดันเนี่ยให้มีแข็งแรงที่สุดเกิดการเข้าหานสามารถวิ่งสามารถรบสามารถทำอะไรได้ทีนี้พลังดันตัวเนี่ยที่สมาธิจะเข้าสวบเพื่อที่จะไปทำการรักษารโรคไครไทฟอ ย, ไ, ยได้วันนี้คงพูดมากแล้วก็นักศึกษาก็คงมองไปมองมา แก้ความเครียดสักหน่อยในเมื่อหลวงพ่อไปอยู่กับหลวงปู่มั่น <c oughs> ในวันหนึ่งท่านบอกว่าวิทยาเราไปกันสองคนดีไหมโอ้โหคำพูดอันนี้มันเรียกว่าแล้วลึกซึ้งถึงใจก็เรียกว่าไม่มีคำใจที่จะ มาฉลองใจหลวงพ่อได้มากเท่ากับครันี้ในครั้งนั้นได้มีพระอาจารย์ทุกองได้แต่รวมตัวกันที่จังหวัดสกลนครเพื่อที่จะไปทำงานศบหลวงปูเป่เสาหลวงปูเ่เสานี่คือพระอาจารย์ของพระอาจารย์มั่นที่จังหวัดอุบลราชธ า, านีเพราะนึกว่าจะรวมตัวกันแล้วเตรียมจะเดินทางเพื่อ ี่จะไปจังหวัดทุบนในขณะนั้นมีทางเส้นนที่จะเดินไปจังทักาดถนบและการเดินนั้นโดยประมาณ70กิโลจากที่เราประชุมกันพอประชุมกันเสร็จหลวงปู่มั่นท่านกระเทศในพระรามหมดเรียบร้อยแล้วท่านก็เข้าขห้องรับหลวงพ่อก็ต้องตามเข้าไปนวดรับปกติ นวดไปนวดมานวดไปนวดมาวันนี้นวดนานหน่อยจะเฉียดคืน็่าจะลืมตาเช่นนี้วิธีย่เราชุดลงกันสองคนดีไหมของพ่อขยุดการดีลกมาถึงก็กราบใหญ่เลยอนะ oh. แม่อันนี้ความฝันผมเป็นความจริงแล้วครับอคำนี้ผมอยากจะฟังมานานแล้วเอยเราก็รู้มานานแล้วเหมือนกั น, นว่า <laughs> เราคงจะพูดกันเท่านี้เพราะเวลาหมดแต่อะไรต่างๆนีให้เยอะๆหลวงพอจะได้อธิบายไปในขณะที่มีการถามตอบด้วยแต่ว่าวันนี้มันหมดล <c oughs>